มีลักษณะเช่นใดรูปร่างผิวพรรณวั น, นะอะไรต่างๆแล้วแต่มันจะแสดงออกเช่นอย่างบางสำนักสอนว่าจิตเป็นดวงแก้วนั่นคือรูปร่างลักษณะของมันครูบาอาจารย์ของเราไม่ได้สอนอย่างนั้นแต่บางทีมันก็เป็นขึ้นมาได้เหมือนกันถ้ามันไปรวมจุดของมันในจุดใดจุดหนึ่งซึ่งเหลือแต่จิตดวงเดียว มันก็มีลักษณะ ส, สว่างเป็นจุดแล้วก็สว่างแผ่รัศมีออกมารอบๆ อ, อันนั้นคือรูปร่างของมันบางทีถ้าหากว่ามันไม่สงบลึกถึงขนาดนั้นพอสงบลงไปนิดหน่อยร่างกายอย่างปรากฏอยู่เราจะรู้สึกว่าจำจำกระยิมกระยิมอยู่ในจิตอันนั้นลักษณะของมันรูปร่างของมันแล้วแต่มันจะแสดงออก จิตเดิมแท้ไม่ใช่จิตสะอาดจิตเดิมแท้เป็นจิตประพัสนระมิทังพิกเวจิตตังจิตดั้งเดิมเป็นธรรมชาติประพัฒสอนเป็นจิตที่สะอาดแต่ไม่บริสุทธิ์เต็มที่เหมือนผ้าสีขาวเป็นผ้าที่สะอาดแต่สามารถจะนำไปย้อมให้เป็นสีต่างๆได้อันนี้เป็นจิตธรรมชาติประพัฒสอนจิตดั้งเดิม จิตที่ปรุงแต่งด้วยคุณธรรมจะเป็นจิตที่บริสุทธิ์สะอาดตามขั้นตอนบริสุทธิ์สะอาดขั้นศีลบริสุทธิ์สะอาดขั้นสมาธิบริสุทธิ์สะอาดขั้นปัญญาบริสุทธิ์ขั้นศีลหมายถึงศีลบริสุทธิ์สะอาดไม่ด่างพร้อยบริสุทธิ์ขั้นสมาธิคือจิตสะอาดหมายถึงจิตที่ปฏิบัติมุ่งตรงต่อมรรคผลนิพพานจริงๆไม่แอบอิงอามิ t ใ ด, ดๆทั้งสิ้น ปัญญาที่บริสุทธิ์สะอาดคือปัญญาสัมมาทิฏฐิไม่ขัดแย้งกับความเห็นของพระพุทธเจ้า